ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการเปิดฉากเรื่องประวัติขนมพ่อปานหรือว่านังสียประวัติขนมพ่อปานวันนี้ขอรูดม่านอีกวันหนึ่งเป็นนั้นว่ายังไม่เอาเรื่องในหนังเสียขนมพ่อปานมาพูด จะขอรล่ประวัติความเป็นมาให้ความเป็นมานี่เมื่อฟังกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อคำว่าโออุริมนุษธรรมอาบัติที่เป็นในอตุตริมนุษธรรมนี่ท่านบัตปรับอาบัตเป็นประราชิกหมดสภาพจากความเป็นพิสุถ้าไม่มีในตน แต่ว่าถ้ามีในตนแล้วพระองค์สมเด็จพระบพีแก้วกล่าวว่าถ้าอดปรับเป็นบัตปาจิตีแต่สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่อดพูดตามความเป็นจริงในฐานะที่คนจะตายอย่างนี้จะปรับรบัตอะไรกันด้วยความจริงในหลัสีเรื่องนั้นบรรดาท่านพุทธบริสัท รู้สึกว่าเป็นการเสี่ยงทำไมยังว่าเป็นการเสี่ยงไอ้ที่ว่าเป็นการเสี่ยงเนี่ความจริงไม่ได้เสี่ยงพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าตอนที่พูดนั้นไม่ใกล้จะตายก็ไม่หนักใจแต่ได้ว่าเวลานี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายดีใจมากวันที่พูดเนี้มีทราบข่าวมา ว่าตั้งแต่เด็กๆอนุบาลถึงด็อกเตอร์และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ต, ตั้งแต่เด็กถึงแก่ถ้าการชั้นพลน้อยถึงชั้นพลเอกเวลานี้ท่านสามารถฝึกมโนมิทธิซึ่มีลิทางใจซึ่งเป็นกำลังสูงกว่าทิปัจกุยานในด้านขวิชาสาม สามารถฝึกกันได้เป็นแสนคนแล้วแักผู้ครองเรียนนรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีมากถ้าจะถามว่าวิชานี้ใครสอนก็ต้องขอตอบว่าเป็นวิชาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะสงฆ์ที่จะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่พวกอารัชีสอน ว, ว่าเพราะพวกอรชีนี่ไม่มีการสอนใครในด้านของความดีมีหน้าที่อย่างเดียวว่าเมื่อไรฉันจะได้เงินมากๆเมื่อไรฉันจะได้ยศเมื่อไหรฉันจะได้มีความสุขในกามารมณ์เมืม่อไหรจริงมีใครมาสรรเสริญเยินย่อฉันเขาคิดเท่านี้แล้วก็ใส่ที่บรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทได้กันมากฉันนึกว่าจะมาเป็นคนสอนนะ ไม่ใช่ความรู้ขอาจะมาเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าและก็บุคคลผู้สอนในสำนักใหญ่ๆ ใ, ใหม่ๆนี่ก็รู้สึกว่ามีดีกันหลายสิบสำนักที่ท่านสอนกันถ้าแต่มาได้สัมผัสกับบุคคลในสำนักนั้นๆก็รู้สึกว่าขอบคุณท่าน ที่ท่านเสียสละกายงานของท่านมาสอนวิชาความรู้ของพระพุทธเจา้าเป็นการรื้อคืนความดีข้อองค์สมเด็จพระจีนสีบรมศาสัญดาให้ปรากฏแต่ก็ยังมีในเหลืองหัวล้นที่เป็นอารชัชีวันหนึ่งไปพบได้ตนเองมีท่านสุภาพรตรีท่านหนึ่งท่านกับปราตราลบให้ฟัง ท่านบอกว่าท่านฝึกมาจากสนักใดสนักหนึ่งท่านมีอารมณ์อย่างนี้มันจะถูกต้องไหมท่านก็พูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องพรหมโลกพูดเรื่องพระนิพพานพูดเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุนรกายอาจจะมาฟังไปแล้วเห็ว่าตรงกับพระไตรวิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสำส อ, สอนก็เลยบอกว่าดีโยม แต่ว่าเด็กคนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นเด็กสาวสาวแต่ว่าจิตใจของเธอท่าทางจริยาของเธอนี่รู้สึกว่าสงบเส ง, เงยมมาก <c oughs> สำรวมดีกว่าพระที่ถือไหไหมกว่าวันนั้นนมีพระอยู่หลายองค์ถือมาไหวแล้วก็บังเอิญพระผู้มีความรู้ใหญ่ไม่ชยศใหญ่ มีความรู้ใหญ่ที่เขานิยมกันในปัจจุบันพูดมากแบบสํารากออกมาว่าทําไมล่ะไปสวรรค์ได้ทําไมไม่อยู่บนสวรรค์ลงมาเมืองมนุษย์ทําไมไปพรมได้ทําไมไม่อยู่ที่พรมไปพบนิพพานได้ทําไมไม่มาพบนิพพานมาอยู่ที่นี่ทําไมลงมาทําไมอาตมาฟังแล้วก็สนุดใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ขิ้นชี้ว่าวิชาความรู้ที่เรียนมาตามชั้นตามภูมิและที่ทางคณะสงฆ์ยกย่องกันว่ารู้อย่างนั้นดีรู้อย่างนี้ดีเนะี่ยนี่ความรู้เขาถึงขั้นสูงสุดเป็นปริญญาทางพระศาสนาแต่ว่าจริยาที่แสดงออกมานี้ไม่มีความเป็นพระเลยสักนิดเดียวถ้าจะเป็นคระว่าก็เป็นครรว่าชั้นเลวที่สุด ไม่มีการสํารวมฉะนั้นการศึกษาประเภทนี้อาตมาไม่ยกย่องถ้าศึกษาดีด้วยและปฏิบัติดีด้วยอันนี้ยกย่องสรรเสริญถ้าแค่ศึกษาจากตำราและเอาความเลวมาขยายแบบนั้นอาตมาไม่คบหาสมาคมเหมือนกับโยมที่ไม่ใส่บาตรพระที่เรียนมศ .5 กับเรียนการบัญชีอาตมาขอโมทนาด้วย อยาแจกขอบรรดาญาติโยมผู้ทำบริษัททั้งประเทศช่วยกันกำจัดอัลชีผู้นี้พ้นไปจากเขตพระศาสนาเราพูดกันแล้วว่าเราไม่กลัวคนชั่วกันแล้วจารูกรานเมื่อไรก็เชิญแล้วก็จะได้พบกับของแข็งว่ามันจะแข็งกันหนัดไหนจะพบกันในวันหน้า ถ้ายังไม่ถอนตัวไม่ถอยออกไปไม่ตั้งใจไปพิชความดีเวลานี้ขายหน้าชาวบ้านเข้า ม, มั้งไหมพระพระในรู้จักมีหิริลโลตรปะรู้จักอายชาวบ้านเข้า ม, มั้งไหมที่เวลานี้ชาวบ้านเขาสามารถฝึกสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือพิญญาสมาบัติ เขาทำกันเวลานี้คระวา่าแต่ไม่มีใครนั่งนิ่งดูได้สนใจในหลักะสูตรพุทธศาสนาแสวงหาบุญกันไม่จำกัดสถานที่เม <c oughs> ื่อท่านทรงความดีสามารถเจนได้ทิพยคุยานทรงมโนยิทธิมีฤทธางใจและบรรดาพระทั้งหลายเนี่ยทำกันได้กี่องค์แล้ว แล้วก็มีความรู้สึกบ้างไหมอายเด็กๆ เ, เล็กๆ ก, กันบ้างไหมอายตาสีตาสาใหญ่มาตามีบ้างไหมที่แกไม่มีความรู้อะไรแต่จะทำได้นี่พูดกันตรงไปตรงมาตรต่ว่าอะไรมันสลดใจจริงๆบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าระคิดว่าเป็นปูชนียบุคคล แต่ก็ทําตนเป็นคนเลวขนาดนั้นมันไม่ควรจะมีการเสการะบูชากันพูดง่ายๆก็ไม่ควรจะให้ข้าวกินกินแล้วทำลายผู้ให้สู้ไอตูปในที่บ้านของท่านไม่ได้กินแล้วมันจะมีความกตัญญูกตเวทีนี่ว่ากันว่าพระเลวนะพระดีจะเดือดร้อนนะถ้าพระองค์ไหนเดือดร้อ น, นแสดงว่าพระองค์นั้นเลว คนดีเขาไม่เดือดร้อนอวบุตรเจ้าบอกนินทาประสังษาเป็นของธรรมดานี่รับการนินทาแล้วก็ยิ้มได้รับการสรรเสริญแล้วก็ยิ้มได้แล้วก็ไม่พอใจทั้งสรรเสริญ น, น, นินทาแต่ไม่ใิเกลียดคําว่าไม่พอใจหมายความตั้งไว้ในเบคขาความวางเฉยดูตัวว่าดีทั้งว่าเลวที่พูดวันนี้พระดีอจาสะทกสะทาน แต่พระเลวเป็นเรื่องของท่านใครแสดงตัวออกด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีแสดงว่าพระ อ, องค์นั้นเลวได้ก็ไปนั่งพูดกันนึกว่าทำไมใจเขียนั่งเสือหลวงพ่อป่านกับพระ่าปีนั้นเป็นปีพศอ .2515 สอสอมันเป็นวาระที่จะต้องตาย เนื่องด้วยว่ามีจุดอันหนึ่งเวลานี้พูดได้พูดได้เต็มปากดีกว่าในสมัยที่เขียนเรื่องหลงพ่อปานเสียอีกเพราะว่าในดีกว่าในสมัยที่เขียนเรื่องนองสืบประวัติหลงพ่อปานเพราะว่าในเวลานั้นคนที่จะยืนยันพิสูจนความจริงมีน้อยมีแต่ว่าน้อยไม่เด่นเท่าสมัยนี้ สมัยนี้คารวาะเด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเท่าตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ตั้งแต่เด็กเล็กถึงคนแก่ข้าราการชั้นเล็กถึงข้าการชั้นบนเอกเขาสามารถได้มโนยิทธิมีทิพยจจุฬาญาสามารถได้ญาณแปดอย่างคือหนึ่งทิพยจจุฬาญาเห็นผีเห็นเทวดาได้ สองจุตูปปาติญาณคนละสัตว์ที่ก่อนจะมาเกิดมาจากไหนเขารู้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วก็ปุเพนิวาสานุตติยานสามารถอลึกชาติได้อาตีตังสัญญาณรู้เหตุการณ์ในอดีตได้อนาคาตังสัญญาณรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ปัจจุปนังสัญญาณรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันได้ยถากรรมูตายานรู้กฎของกรรมได้ ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ไม่ละเอียดหรออถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาก็สามารถเปลื้องความสงสัยของเขาได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ความรู้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าตัดว่าอะไรมันจริงไม่จริงนี่เวลานี้เขาทํากันได้ถ้าจะมาพูดไปอจตมาโกหกเขาก็จับโกหกได้เหมือนกัน ในเมื่อมีคนจะจับโกหกได้เราก็มีกําลังใจพูดถ้าไม่มีคนจะจับโกหกได้ก็ไม่มีกําลังใจพูดก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบรรลุอริเิกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วพบอะไรหลายอย่างวันที่บรรลุวันที่บรรลุลอริเิกสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเรื่องข้ อ, อหิเปลดเป็นต้น องสมเด็จพระทศพลรู้แล้วก็เงียบต่อมาเมื่อพระรัตนหินถามพระพระมคัลลาพระโมคัลลาบอกว่าจงถามฉันต่อหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบพระโมคัลลาก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาองสมเด็จพระบรมศาสดาเขาตรัสว่าดีแล้วเรื่องนี้แตถาคตเห็นต้อต้องแต่วันบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ แต่แปลว่าตถาคตไม่มีพยานจึงไม่พูดนิ่งอยู่แต่ว่าเวลานี้มีโมคลาเป็นเป็นเป็นพยานตถาคตจะพูดนีเรื่องนี้มีประมาชันใดเมื่อสมัยที่เขียนหนังสือมาก่านอาตมาความตายเป็นเครื่องยัน <c oughs> คิดว่าเขียนแล้วก็ตายมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าบังเอิญเขียนแล้วมันไม่ตายมันทํำท่าอย่าตายแต่มันไม่ตาย แต่ว่าตอนนี้กราพูดว่าบุคคลนั่งหลายที่ได้ทิพย์ปิโยโคยานคนดีที่ได้มโนวิธีคนดีเขารู้อัตมาก็าหกเขรู้อัตมาพูดจริงเขาก็รู้ในเมื่อมีคนรู้ได้แล้วก็เต็มใจพูดพระพูดไม่มีการปิดคนนี้เปิดการแยพูดเรื่องในหนังสือพระปานอาจจะมีการต่อการเติมกันมากยิ่งกว่าในหนังสือ แล้ ว, ว่าเวลานี้สบายใจเสบายใจที่ท่านอันหลายที่ท่านท่านเป็นเคราวาสเขาถือว่ายังเป็นผู้เสพกามแต่ก็สามารถก้าวหน้ารุดเลยหน้าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไปแต่ว่าบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายส่วนน้อยที่ท่านทำได้ก็มีเยอะก็มาคุยเรื่องประวัติการเขียนหนังสือกัน ว่าทำไมกล้าเขียนมีท่านผู้หวังดีหลายท่านอ่านแล้วก็จดหมายมาบ้างมาพบกับตนเองบ้างว่าท่านเขียนแบบนี้มันเป็นการเสี่ยงภยัยก็เลยเรียนัททนว่าผมพูดตามความจริงของพระศาสนาก็อยากจะดูนักว่าไออารัชีคนใดเนะี่ยมันจะเข้ามาทำลายผม แต่คนไม่เห็นชอบโดยสแสดงว่าพวกนี้เป็นอุปสมะชีวิกาบวชเข้ามาใส่ประสาสนากินเท่านั้นไม่ได้สร้างความดีคือไม่ได้เคารพพระธรรมวิ น, นัยพระองค์สมเด็จพระสง์ทันแต่บริการใดเลยในเมื่อเขาเป็นคนเลวเราอยากไปกำเนงความเลวของเขาเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อเราตั้งใจความดีความจริงเข้ามาพูด ในเมื่อมันจะมีเรื่องมันก็ต้องมีกันละถ้าลงมีกันก็จะมีเล็กมันก็ควรจะมีใหญ่เข้าถึงขั้นทำลายก็ให้สิ้นซากนี่มันถึงจะดีรว่าคนอปรีประเภทนี้จะอยู่ในพระศาสนาพระศาสนาก็เสียจะไปอยู่ในเขตครวาัตเขตครวาัตเขาก็เสียที่เรียกว่าบวชก็เสียพระเหลียงสิษย์ไปก็เปลืองพอลาย เป็นน้ำว่าในตอนนั้นแต่มาป่วยมาถึงเวลาสองปีเสร็จกินอะไรเข้าไปนิดมันก็ายเจียนแต่ถ้าว่ากิจคือพระธรรมวินัยด้วยการอบรมพระอบรมคราวาสไม่ได้เลิกไปด้วยเมื่อร่างกายป่วยก็ป่วยแต่ร่างกายใจไม่ป่วยการก่อสร้างท้าววัตวัตุในพระพุทธศาสนาก็ทำ การสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุระกันดารเขาทำสิ่งนี้ทำมาแล้วตั้งแต่ภาษาที่ห้าทำตลอดมาไม่ได้หยุดหย่อนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายแต่เราก็จะตายด้วยความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพระพุทธเจ้าว่าอย่างไหนดีทำอย่างนั้นตายแล้วมันจะลงนรกก็เชิญ ยังได้ตัดสินใจบันทึกเสียงเขียนไม่ไหวบันทึกได้ดีๆไปประมาณทั้งสามสิบหน้าต่อมากลุกไม่ขึ้นต้องใช้ไมโครโฟนนอนจอปากพูดสำนวนในสือนั่นจริงไม่เคยเรียบร้อยบางครั้งก็รุนแรงเกินไปบางครั้งก็เบาแต่บางทีที่พูดไปก็ปรากฏภาพ เขาบอกว่าคนมันจะตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าพระที่เขาบวว่าเป็นพระจริงๆเขาก็ต้องยอมรับถ้าพระไม่จริงโยมไปถามเ้าก็ได้ว่าสิ่งนี้มันมีไหมถ้าเขาบอกว่าไม่มีพระประเภทนั้นไม่ต้องใส่บาตรล้าเสียข้าวเปล่านั่นก็คือคนที่จะตายจริงๆ และก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าเคารพในพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพในบุญนี้กิอยาวัตถุทั้งสามราการหนึ่งทานน้ำมมีการบริจาคทานเป็นปกติสองศีลน้ำใหม่รักษาศีลพุทธให้เคร่งครัดให้ครคบถ้วนบริสุทธิ์ทิ้เชิงถ้าสามภาวนาใหม่ได้การเจริญการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนา ทั้งสามรายการนี้ต้องประจำใจเป็นปกติไม่ยอมพระนิวนห้าเป็นเจ้าของหัวใจอารมณ์ใจจะมีแตความผ่องใสสามารถสัมผัสสิ่งที่ไม่มีตัวที่เรียกันว่านามธทําได้นี่พระเขาบวชกันอย่างนี้เขาไม่ได้บวชมาเพื่อจะปล้นญาติโยมพุทธบริษัท คือว่าเขาจะแย่งอาหารเขากินแย่งทรัพย์ถิ่นเขากินโกโหกชาว บ, บ้านเขาเอามาสร้างตัวเขาไม่ทํากันอย่างนั้นในเมื่อในเมื่อธรรมมาโอยหนักอารมณ์ในสามรายการนี้ก็ทรงไว้แต่างกําลังไม่ได้หมายความว่าเป็นพระอรหันนะเวลานี้ที่ใครไปลือกันว่าเป็นพระอรหรอันธรรมมาไม่เคยประกาศ ไม่ได้เคยบอกใครว่าเป็นพระอรหันต์และก็ไม่ได้เคยบอกใครว่าเป็นพระผู้ทรงฌาน่าเดากันสองเด่นเป็นได้เพียงว่ามีจิตใจเคารพในบุญญาคติยาวัตถุทั้งสามรายการเขาองค์สมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทําไปตามกํากลังที่จะพึงทําได้ในเมื่อการอาจเจียนมันเป็นมาถึงสองปีเสร็จมันไม่ไหว มองดูร่างกายก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วงานก่อสร้างคนหนักงานสาธารณประโยชน์ก็หนักงานสงเคราะห์บรรดาญาโยมโดยทรามก็หนักทำยังไงที่ว่าน่ากลัวมันจะตายถ้ามันจะตายแล้วก็ควรจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างหนึง่งที่เราไม่กล้าพูดในสมัยในสมัยสมัยที่เราเป็นคนมีกำลัง แต่ว่าเวลานี้มันจะตายแลว้วก็ลายพิษกันเสียทีขออะไรที่มันมีมั่งมันก็ญาติโยมพุทธบริษัท ร, รู้ตัวว่าจะตายก็จะจัด ก, การทรัพย์สินทั้งหลายจะให้แก่ลูกจะให้กั่หลานจะให้กับทายาทถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานนับทายาทจะสละให้แก่ใครก็ให้หมดเพราะตายแ ล, ล้วเราไปไม่ได้ <c oughs> ขอ้อนี้ชั้นใดความรู้ที่มีมาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ก็คิดว่าเราควรจะระบายไว้เป็นเสียงและก็ทําเป็นองศ์เสียไว้จะได้ทรงตัวไม่ต้องการจะอวดถ้าต้องการจะอวดก็ต้องอดมาอยังคิดว่าไม่ตายอันนี้ที่เมื่อตายแล้วไม่ต้องการจะอวดใครต้องการอย่างเดียวเอาความจริงไใ้ส่วนหนึ่งคําว่าหนึ่งในหลายแสนล้านของพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบ ก็ตัดสินใจบันทึกเสียงเวลาบันทึกเสียงนั่งไม่ไหวก็นอนพูดไปพูดมาบางทีหมดแรงไมโครโฟนก็หล่นตุ๊บอยู่ที่หน้าอกดังนัน้นอนหลับเหมือนกับสลบกพ อ, อกตื่นขึ้นมาเขาก็ว่าต่อไปมองดูการเวลาคิดไว้เรื่องนี้มันจะจบก่อนตายและตายก่อนจบมันก็ไม่แน่ แต่สายที่จิตใจมุ่งอยู่ในธรรมมันจึงเกิดภาพที่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปที่เขาเรียกก็วันนามธรรมปรากฏขึ้นไันนามธรรมปรากฏขึ้นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างถ้าวันดาพระทั้งหลายนะที่บวชเข้ามาเป็นอุปสมะชีริกามีความสงสัย ก็ไปอ่านเรื่องธรรมิกาอมบาสกในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าทรงรับรองมีอยู่อย่าดันผูรังให้ันเกินพอดีไปนะเวลานี้ในชาวบ้านเขาฉลาดมากแล้วเขาไม่โง่ามากแล้วเห็นว่าชาวบ้านน่ะเขาออกไปต่างจังหวัดเก่งผุดผุดผุดผุดผุดแล้วออกไปแล้วไม่จะไปแวะทุวัดเน่ยเขารู้เวลานี้ชาวบ้านฉลาดว่าพระองค์ไหนควรจะบูชาพระองค์ไหนไม่ควรบูชา เขาไม่ง้เง่าเต่าตอนตามธรรมธิพระของเราคิดหรอกนี่เฉพาะพระที่เป็นอารชีนะถ้าพระที่ทันดีท้าสาบท่านดีก็มีเยอะท่านเลวก็มีมากตามพาสิบราณนั้นบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวทังไปคนดีทมไปเป็นอนุว่าเขาดีกัน เป็นนั้นว่าเมื่อการตัดสินใจอย่างนั้นเกิดขึ้นภาพที่เป็นอธิสมานในกายก็ปรากฏบันทีก็คุยกันได้เมื่อคุยกันมาคุยกันไปบันทีมันก็เผลอพูดเข้าไมโครโฟนไปก็มีนี่แต่ว่าพอถึงที่สุดถึงวาระไม่ทราบว่าการบันทึกเสียงทําได้ประมาณสักสิบวันละมั้งวันสุดท้ายก็เข้ามาถึง จำวันที่ไม่ได้เดือนนั้นก็คือเดือนกันยายนนี่เองมันเข้าครบรอบพอดีคงอยู่จะอยู่ในเกณฑ์ปลายปลายเดือนแบบนี้แหละอาการหนักมันก็เกิดนั่นก็คืออากียอย่างหนักเวลานั้นกำลังจุเจาะ บ, บาดานน้าอยู่เจาะ บ, บาดานนะให้ <c oughs> ช่างเข้ามาเจาะจะทำน้ำาปบะปา ทางเป๊ปซี่คือคุณประสิทธิ์ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ตนเศรษฐีเป็นเจ้าภาพกําลังไปดูช่างแล้วจอดน้ำแบบปาเวลาประมาณสามโมงเชา้านั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาก็อาจเจียนอย่างหนักเดินจะกลับกุฏิก็เข้าถึงมุมรั้วอาจเจียนอีกครั้งหนึ่งพอถึงประตูจะประตูรั้วจะเข้าจะเลี้ยวเข้ากุฏิอาจเจียนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง พอมาถึงที่พักอาเจียนสตูตาลายก็พอดีมีในเรียบมาหาในเรียบเป็นหมอก็บอกว่าไปหาน้ําเกลือมาหน่อยนะสักพันทีสีร่างกายชันเสียวหมดแล้วเขาคิดว่าวันนี้ไปกันแน่เป็นนั้นว่าวันนั้นเธอก็ไปหามากว่าจะได้ไมักนก็นานต่อมาเขาก็ให้น้ําเกลือตอนบ่าย ให้แบบช้าๆตอนนั้นก็มีคนอยู่สองสามคนไม่มีใครงานมันก็หนักและไม่ได้บอกใครคนงานก็มากแต่ไม่ได้บอกเขาทราบให้น้ำเกลือไปประมาณครึ่งหนึ่งมันก็ใกล้จะเยินมันยินมากแล้วเขาให้ช้าๆลืมตายขึ้นมาเห็นคนเต็มกุฏิบางคนก็ร้องไห้ก็นึกในใจว่าโอนอ๋อ อันนี้เขามากันมาอะไรทำไมเราไม่รู้คนมาตั้งเต็มกุติไม่อยากรู้เลยว่าเขามากันถ้าถามว่าตอนนั้นมาสลบไปที่ไงเขาบอกก็ไม่สลบก็ต้องตอบว่าไม่สลบก็หมายความขั้นละที่เขาให้น้ำเกลือใจมันสันริกมันร่างกายมันเสียวไปทั้งตัว ก็ค ta huh. ิดในใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไทยท่านตัดว่าอานาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานนับกายสังขารเกี่ยงจับอนาปานุสติเป็นอารมณ์เอกจนิยมเฉพาะจุดเดียวคือพระนิพพานเพราะการตัดสินใจแบบนี้มันมีเป็นปกติทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา สรัพสมบัติทั้งหลายไม่ใช่ของเราตายแล้วกวันเลิกกันนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ผูกพันตายแล้วมันเลยเราก็ไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์เราไม่ต้องการเป็นเทวดาไม่ต้องการเป็นพรหมไม่ต้องการเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสติ ร, ริชานถ้าหากว่านิพันธ์มีจริงขอไป น, นิพันธ์เพราะนินพันธ์เเห็นมาแล้วเป็นอันว่าจิตใจก็มุ่งพนิพันธ์เป็นอารมณ์ ตอนนี้ก็จะเ ป, ไป็พยากรณ์ว่าเป็นพระอรหันต์นะอย่าลืมนะผู้ฟังสำหรับที่เป็นพระหรือนักธรรมอย่ามาสอดรู้สอดเห็นพระเจ้าของเขาอยังไม่บอกแล้วก็จะไปรู้เขาดีไม่ดีเขาจะหาว่าเสือ่อมก็เป็นอันว่าเมืจิตจับปณิพันธ์เป็นอารมณ์จิตมันก็สบายจิตสบายอารมณ์แจ่มใสมองไปดูในาอากาศ เรรดาก็มากผมก็มากพระก็เยอะก็คุยกับท่านอย่าเป็นสุขเลยไม่รู้ใครเข้ามาบ้างไม่ได้มุ่งดูไอ้ร่างกายมันจะเป็นยังไงเห็นก็ร้องไห้ก็เลยหลับตาตอบไปใหม่ตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงย็นก็คิดว่าหกโมงเย็นคนจะเคลื่อนไปได้แล้วสถานที่อยู่เราก็มองเห็นจิงกราบเรียนถามพระว่าจะไปได้หรืยอยัง ท่านถามว่าไปไหนก็กราบเรียน้ว่าเวลานี้มันครบ1ิสองปีแล้วเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามมีเหตุอันหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ว่าเราก็จะต้องรุกรานตัวเองจะตกอยู่ในความประมาทชี่นี้ไม่ได้มิฉะนั้นการบวชเข้ามาในครางนี้จะจัดว่าเป็นอุปสมะชีวิกา แยกกลายเป็นกาฝากเข้ามาจับกิ่งต้นไม้คือพระพุทธศาสนาไอ้กาฝากที่มันจับที่ไหนมันทําลายที่นั่นบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากต้นไม้ต้นนั้นไม่ช้าก็ตายเมื่อถามท่านท่านตอบว่ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านตอบหน้าฟังท่านตอบว่ายังไงทร า, บ, า, งไงทาบไหม แต่ว่าวันนี้น่ากลัวจะทราบไม่ได้โยมนึกเอาก่อนนะว่าตอบว่ายังไง <c oughs> ถ้าอยากจะฟังต่อไปเขาฟังวันหลังเพราะวันนี้หมดเวลาเสียแล้วในบรรดาญ า, าติโยมพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาธนิกาชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี